ตอนอบรมณนะโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม2560ตอนที่4ในขณะที่เราผู้ปฏิบัติกำลังหมุนหมุนอยู่แล้วมีจิตอาสาเดินเข้าไปบอกเราว่าให้เขาลืมตานะคะจะเป็นการสกัดกัน้นการเดินทางของการเดินทางไปในจิตของเขาหรือเปล่าคะวงเล็บตอนปฏิบัตินาน า, นาจิตตังคะ่ะ ครับบางทีพี่เลี้ยงเราเองเนี่ยเขาก็ปฏิบัตินาฬดับหนึ่งอาศัยประสบการณ์นะบางทีเขามองอารมณ์จิตตอนนั้นไม่ออกแล้วเขาเขาก็ไม่ยืดหยุนนะว่าต้องเป็นอย่างนี้นีนานนานจิตตังต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีที่เขาไปแนะนําว่าเราลืมตาไม่ใช่เรื่องผิดนะถ้าเราชํานาญตนลืมตาได้โดยที่มันไม่มีกระทบเลยเนี่ยสุดท้ายต้องลืมตาหมดแต่ถ้าเราไม่ชํานาญเราลืมตาปุ๊บเราจะหลุดจากกรรมฐานนั้นทันทีเพราะว่าพลังเราไม่พอนะ พอเราฝึกจิตได้ชำนาญแล้วลืมตาหลับตามีค่าเท่ากันเราจะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่เรนต้องมานั่งเวียงนะแล้วเราก็เอาอาดีตประสบการณ์อดีตปัญญาตัวเี้นมาเป็นปัญญาปัจจุบันใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้มีคนแนะนำเราก็ช่างเวลาปฏิบัติก็ดีเวลาข้างนอกก็ดีเนี่ยเราก็ได้ยินเขาเตือนสติเราก็ดีแล้วนะ ถ้าเราอยากลองลืมตาแล้วก็ลองเราไม่ลองลืมตาเราไม่แน่ใจเราก็ไม่ต้องลืมตาแต่ว่าเนื่องจากประสบการณ์พี่เลี้ยงเขามาเรื่องลืมตาได้ในประมาณสัก20ปีก่อนนะมีสตรีท่านหนึ่งไปที่ศูนย์พอเขาลืมตาได้เนี่ยเขาก็เอากล้องมาถ่ายเอียงไปเอียงมาอยู่ในจิตเขาถ่ายนะเขาก็เรียกทุกคนลืมตาลืมตาได้นะจากวันนั้นน่ยก็ ส่วนมากปฏิบัติ e ชำนาญแล้วก็ลืมตาลืมตาหลับตาถ้าเราไม่ชำนาญเราลืมตาปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดออกจากกรร ม, มาฐานเพราะว่ามันจะไปสนใจภาพนะทีนี้ที่เขาเตือนเพราะว่าเวลาคนมันเยอะเนี่ยอย่างอย่างสุเรียนจันทาเนี่ยที่เรายืนหมุนเนี่ยนะนะ <ภา S 1> มื่จากพื้นที่มามากเพราะมันหมุนเยอะๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ลืมตานิดนึงเนี่ยมันจะไปชนกัน <ภา S 1> แต่ถ้าเราลืมตานีน่นึงแล้วเราไม่ออกจากกรร ม, มาฐานเราตั้งมั่นเนี่ย เราก็มีลูกเล่นด้วยคล้ายๆว่าเราจะมีสติเร็วขึ้นหลบหลีกได้อแล้วก็เอามาใช้ชีวิตประจําวันน่ะเราไม่ได้อยู่คนเดียววันไหนวันไห น, ว, น, นวุ่นวายคนนี้ก็ด่าคนนี้แลกระดามาเราจะหลบหลีกได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจิตมันมีไวยะของมันเอาเวลากิ้งเวลายืดน่ะมันได้อะไรก็มันก็ได้กิ้งนะมันก็ได้ยืดน่ะปกติเรากล้าทํำไหมเราไม่กล้าเพราะเรากลัวมันทําลายความกลัวแล้วมันทําลายอัตราตัวตน เรามันทำลายท่าทางเราหมดแล้วเราอิสระมากทำ mm hmm. ไมเมื่อเราผ่านตรงนี้แล้วเราก็กล้าคิดนอกกรอบต่อไปชีวิตเราไม่ใช่ in the box นะในบ็อกซ์นั้นไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ผิดแต่ถ้าเราก็กล้ามองอย่างอื่นที่มันดีกว่านั้นเราก็กล้าเปลี่ยนนะครับไอ้โปรแกรมนี้จะทำให้เรากล้าเปลี่ยนแต่ว่าเมื่อมันทำไปเรื่อยๆมันจะมีสติมันมีปัญญามันมีศีล มันก็จะไม่โง่ที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีนอกจากคนที่ไม่ทำแบบตั้งมัน่นเพราะกรรมเก่ามันยังแรงอยู่นะครับอ่าค่ะไม่ตั้งมั่นเพราะมีกรรมเก่าแรงด้วยใช่ไหมคะคระับูอยากไม่อยากทำอ่ะครูก็ให้ทำไม่ทำอ่ะไม่ยังตั้งมัน่นทำทำทำไปงั้นแหละอยู่บ้านก็ไม่ทำไม่ได้ฝึกฝนอะไรก็กรรมเก่าแรงกรรมเก่ามันแรงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราตั้งมั่นศรัทธา เขาเปิดโอกาสให้เราทําแล้วเนี่ยเราใส่ศรัทธาเข้าไปให้เรามีความต้องการทําเองไม่ใช่ทําไปตามหน้าที่มันก็ได้แค่นั้นอันนั่นคือตัวศรัทธามันไม่ถึงเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้มันก็ไม่มีพลังถ้าตั้งมั่นศรัทธาปุ๊บนี่จิตมันก็เอาจริงๆเนีมีศรัทธาปุ๊บมันจะมีวิริยะมันจะมุ่งมั่นมันจะขยันถึงจะเจ็บก็ช่างฉันก็ลุยต่อแล้วมันก็จิตตั้งมั่นเพราะว่ามันศรัทธา ความเจ็บปวดหน่อยหนึ่งเนี่ยมันเรื่องเล็กเพราะว่ามันศรัทธามันตั้งมัน่นมันก็ผ่านได้ศรัทธานี่สําคัญมากศรัทธาไม่ใช่เชื่อครูก้อยไม่ใช่เชื่อพ่อครูไหนไหนก็เสียเวลาแล้วเราศรัทธาในสิ่งที่เราทำศรัทธาในจิตเราเนาะถ้าเราไม่ศรัทธาแล้วนี่เราก็ทําไปอย่างงั้นแหละไม่ทําเดี๋ยวจะถูกหักคะแนนอย่างนี้เราหลอกจิตเรามันก็ได้แค่นั้นอ่ะเนาะต้องศรัทธานะครับไม่ต้องศรัทธาคุณครูก้อยไม่มีเลยศรัทธานะคะไม่ต้อง กลัวว่าต้องหักเงินเดือนเพราะว่ามันมันมันสำคัญมากกว่าเงินเดือนสําคัญมากกว่าสิ่งในโลกนี้ที่พร่อครูใช้ ว, วิเศษนะคะพ่อครูต้องใช้คําว่าโอ้อย่างนี้เพ่อครูพูดสุดที่สุดเลยค่ะถวายชีวิตให้กับพระพุทธองค์คําถามต่อมาค่ะพองครูขาอาจารย์ผมเคยเรียนมาตอนมัธยมต้นว่าอริยสัจ ส, สี่ได้แก่ทุกสมุทยัยวิโรธมรรคเรียงตามอย่างนี้ค่ะตั้งแต่เรียนมาตามแก้ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นะคะเรียงลำดับ ต, ตามการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แต่ผมได้ยินพ่อครูกล่าวว่าจิตเห็นจิตเรียกว่ามัคจิตเห็นจิตอย่างท่องแท้แจ่มแจ้งเรียกว่านิโรธผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วมัคมาก่อนนิโรธหรือนิโรธมาก่อนมัคครับปอลอผมเป็นคริสนะคะวงแคบมาหน่อยนะคะ ด ก, ก็เลยไม่เข้าใจคำ<ว>ถามนี้ก็<า>โมโนธนาด้วยะนะสุดยอดวันที่พเกิดกเกิดการระเบิดเนี่ยพ่อครูไม่รู้เรื่องศาสนาเลยมันจิตมันจิต เ, เดิมมันก็เอาตัวนี้แหละมาตั้งโจทย์เพราะเหมือนพ่อครูเข้าใจอริยสัจสี่ทันทีเลยพาะครูบอกว่ามันบอกทุกสมุทัยนี่โลดมักเมื่อ น, นี่โลดมันก็สุดสุดแล้วไงคือจบแล้วไงทำไมเอามักไว้ที่หลัง จิตมันพิจารณาเลยนะทีนี้มันก็รู้ว่าอ๋อไอ้สามข้อแรกน่นเป็นข้อบอกกล่าวเท่านั้นเองเพระองค์บอกกล่าวว่าเรามีทุกข์เป็นประธานนะและพระองค์ไปบอกแล้วว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหากลัวตัวสมุทยัยนะและตัวนิโรธเนี่ยเป็นตัวดับทุกข์อันนี้เป็นสิ่งบอกกล่าวแต่สิ่งที่เราต้องทําอย่างเดียวคือเจริญมรรค จเจริญมรรคมัน ก, ก, ก็เกิดผลซว่าไอ้พื้นนี่มันเปื้อนเนี่ยการจเจริญมรรคคือกา ล, ลังถูมันกระบวนการที่กาลังถูมันผลมันคือสะอาดถ้าสะอาดสูงสุดนั้นลหละคือนิโรธพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเจ้าจำเป็นสัมมาสัมพุทเจ้าในวันวิสาขาบูชาเนี่ยพระองค์มรรคผลนิพพานจบแล้วพระองค์ไม่ต้องเหนือบุญบาปแล้วแต่เวลาที่เหลือมันเป็นมรรคหมด ถามว่าทุกวันนี้28ปีพ่อครูเนี่ยพ่อครูถือศีลไหมอุ้ยเหวี่ยงทิ้งหมดมันหนักบางคนตกใจนะคนไม่มีศีลมาแสดงธรรมแต่พ่อครูไม่ทําชั่วแน่นอนมันเป็นมรรคแล้วข้างในจิตมันเข้าถึงแล้วเนี่ยข้านอนมันเป็นมรรคหมดรู้สึกปีที่ห้าที่ไม่อยู่ตรงนั้นนะ่ะมาหารูปหนึ่งเดินไปเตืนไปเตือนทางไปไปไ ป, ปฏิบัติกับพ่อครูเขาไปดูไล่แหลมทองพ่อครูเขียนป้ายว่า เกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายทําอยู่ทํากินทําทานทําเพราะทำไม่มีต้นทุนไม่มีกําไรไม่มีขาดทุนไม่มีราคามีแต่คุณค่าเขียนหดาอย่างท่านบอกว่ามันเป็นมักหมดเลยพ่อครูถามว่าอาจารย์มักคืออะไรมักซึ่งเป็นตัวหนังสือเนี่ยเขาบอกพก่อครูว่ามันเป็นอย่างนี้เห็นชอบดำหรีชอบอะไรอะไรเขาบอกที่นี่เป็นมักหมดเลย พวกครูไม่รู้มักเป็นตัวหนังสือแต่พฤติกรรมที่เราทําออกมามันเป็นมักหมดหนึ่งเราต้องเจริญมักเมื่อไม่ถึงคือก็ต้องเจริญต้องเดินทางพอถึงแล้วเนี่ยจิตมันจะกลายเป็นมักโดยธรรมชาติของมันอันนี้เรียกว่าอินไซเอาแล้วพวกครูกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรๆเนี่ยพอระเบิดปุ๊บมันไม่สูบมันกินเหล้าไม่ได้มันตีกอล์ฟไม่ได้มันไม่ยิงนกตกปลาไม่ใช่เพราะว่ามันกลัวผิดศีล คือต้นเหตุคือมันดับความอยากแล้วมันก็ไม่มีเหตุที่ต้องไปทำอย่างนั้นมันก็กลายเป็นมรนี่แหละมรตัวสุดท้ายก็คืออย่างนี้คุณหมอเ <ขอ S 2> พิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของววียศาสตร์เนี่ยเมื่อจิตเราไม่มีไปยึดมั่นกับอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นอิสระไอ้ตัวเกิดดับหรือพลังงานของจิตเนี่ยจะเป็นตัวที่มีความเสถียรสูงสุด ก็คือไม่มีอะไรมาหน่วงเลยสมมติว่าลูกข่างลูกหนึ่งที่หมุนอยู่ด้วยความเร็วเสถียรเนี่ยแล้วไม่มีแรงใดๆมารบกวนเลยไม่ว่าจะเป็นแรงดึงดูดของโลกหรือแรงอะไรต่างๆมันก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นแหละไม่หยุดแล้วพลังงานที่สมบูรณ์แบบที่เสถียรนั้นเนี่ยมันจะเหนี่ยวนําให้ธาตุที่เคยเป็นร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยโมเลกุลของธาตุต่างๆเนี่ยก็จะเรียงตัวใหม่นะครับการเรียงตัวใหม่นี่คือมีระเบียบขึ้นมีความใสขึ้น เหมือนกับทานกับเพชรซึ่งเป็นธาตุเดียวกันแต่การเรียงโมเลกุลต่างกันเหมือนกับทรายกับแก้วซึ่งเป็นธาตุเดียวกันแต่โมเลกุลต่างกันหินปูนกับคริสตลัลนะครับจึงทำให้กา ย, ยาภาพของจิตที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระธาตุซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยบางคนบอกว่าปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันศาสนาพุทธหรือเปล่าอย่างเดีหรือเปล่า ผมเคยเมื่อสองปีที่แล้วมีคนไข้ผมบ้านหนึ่งเขาจะเดินทางไปไหว้พระคือคุณแม่คุณแม่ของบ้านนี้แม่สูงสุดเนี่ยเป็น อ, อ, อมภารครึ่งซี่อีกประกอนนี้เขาเคยไปไหว้พระที่ยุโรปนะทุกปีนะครับไหว้พระที่สเปนบ้านเขาเป็นคาทอลิกครับแล้ววันมีอยู่วันหนึ่งที่เขาชวนผมบอกหมอหมอ เนี่ยเขามีอัญเชิญพระธาตุมาไปชมพระธาตุกันไหมผมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีแรกดีใจนะจะ ไ, ไปชมพระธาตุสักพักนึงนึงได้ที่เป็นคาทอลิกนี่ว่าพระธาตุใครเขาบอกว่าของท่านเซนดอนบอสโกอ่าแล้ววันที่ไปที่สเปนไปทั้งครอบครัวผมเป็นหมอประจำของออคุณแม่นะครับไปกับน้องเก๋เป็นพยาบาลประจาตัวทุกโบด ไม่ว่าจะเป็นสกัด้าแฟมเบเลียไม่ว่าจะเป็นเซนทั้งโบด ท, ทั้งหลายแหละพัดธาตุเต็มโบดเลยนักบุญทุกนักบุญมีพระธาตุกระดูกกลายเป็นพัดธาตุหมดนะครับมันเป็นเรื่องของสากลมันเรื่องของพลังงานเรื่องของสากลจั ก, กรวาลผมเชื่อว่านะครับอันนี้ไม่เคยเห็นกายยับกายหรือว่าอัฐิธาตุของพันนบี ม, มุฮัมมัดจะเป็นพัดธาตุด้วยเช่นกันเพราะท่านเป็นศาสดาที่ มีความเป็นโพธิสัตว์มีความเป็นจิตที่จะนำให้คนในระแวกนั้นพ้นทุกข์แต่ด้วยอุบายวิธีที่ต่างกันไปเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะอธิบายว่า เ, ออเมื่อเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยไปล้างแล้วเนี่ยบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ให้เห็นได้ด้วยการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ประมาณนี้ครับนั่นก็หมายาความว่าก็เสริมเองนะคะ ถามพ่อครูกับคุณหมอว่าการเข้าไปอินไซน์เอาอย่างพวกเราไม่ก็ไม่มีคำว่าศาสนาเพราะว่าคุณหมอกำลังอธิบายเตอรกีร์ว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนศัสธาของศาสนาไหนหรือว่าอริยบุคคลของศาสนาทุกศาสนาในที่สุดวิทยาศาสตร์คือสภาพร่างกายก็จะถูกเปลี่ยนนะคะในตรงจุดจุดสุ ด, ดท้ายเป็นพระธาตุซึ่งจะเป็นทั้งอิสลามคริสพุทธ เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เราใช้กันอยู่นี้ก็เป็นสากลสากลจักรวาลถูกถัก้ยคะ ต, ตรงนี้ก็มีน้องที่เป็นอิสลามน้องที่เป็นคริสต์ที่เขียนมาแล้วก็มีศา ส, สนาอื่นๆนะคะหรือผู้ไม่มีศาสนาเลยอาจจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ใช้เครื่องมือนี้เพื่อฟาร์มหมดทุกถูกต้องัหยคะเดี๋ยวเสริมนิดหนึ่งได้คะ่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากสังคมโลกตอนนี้กาลังเกิดวิกฤตการขัดแย้งทางศาสนา พ่อครูไม่ถูกข้ออะไรเลยหลังจากระเบิดนั้นเนื่อจะพ่อครูไม่มีพื้นฐานาศาสนาอะไรเลยแต่พ่อครูก็มารู้ว่าเออแต่ละาศาสนาเ้าสอนอย่างไรแล้วพวกเรานะทุกาศาสนาะนีย้อนไปดูประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าคอสอนี่คุณหมอคําว่าคอสอนี่คืออะไรคริสต์ศักราชคริสต์ศักราชหมายถึงห <คา S 2> มายถึงอายุของศาสนาคริสต์อายุของมันใช่ไหม และพอสอนี่คืออะไรพุทธศักราชคืออายุของพระนาพุทธอาชีศาสนาพุทธประมาณเท่าไหร่สองพันหก้วก่อนหน้านั้นใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นล่ะศ า, าสน า, าเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เพิ่งแค่ไม่สองสองสาสี่ันปีนี้เองธรรมชาติไม่มีศาสนาธรรมชาติไม่มีภาษาแต่ศาสนาไม่ใช่เรื่องเสียหายนะมันเป็นสิ่งที่ศาสดาทุกศาสดาเนี่ยท่าน เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยท่านก็ตั้งเป็นองค์กร น, นึงเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคําสอนพระองค์เหล่านั้นมันมีประโยชน์เหมือนกรพิทักษ์เนี่ยเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าการสร้างคนขึ้นมาแต่ถ้าเราไปหลงศาสนาเมื่ อ, อไหร่มันจะเกิดการขัดแย้งของฉันดีกว่าของเธอมันไม่ใช่ทั้งนั้นแหละธรรมชาติจริงๆมันไม่มีศาสนาแต่ศาสนาที่เขาตั้งขึ้นมานี่มีประโยชน์ไม่ใช่เรื่องไม่ดี เออใครเชื่อยังไงใครชอบยังไงก็ทําไปเถอะทุกศาสดาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยทำดีทั้งนั้นแหละมีแต่ว่าแต่ละศาสดาเนี่ยแต่ละศาสนาเนี่ยจุดเน้นไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเนี่ยบางศาสนาคือเน้นว่าให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขท่านผู้ครูเรียกว่าระดับสัมม า, ารรมฐานให้รักกันนะแต่พ่าครูสองวันนี้บอกรักโลภโกรธหลงเป็นทุกข์อันนี้เป็นเรื่องแล้วถ้าคนที่เขาสนใจแค่รัก แต่ถ้ามาสนใจเรื่องพ้นทุก์เลยเนี่ยเราต้องพูดความจริงนะว่าศา ส, สนาพุทธเน้นเรื่องนิพพานเรามาทําพิธีกรรมทางศาสนาก็เป็นเกียรเล็กเกียดน้อยส่วนเป้าหมายคือสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายเราคือพ้นทุกขส่วนมันจะพ้นเมื่อไหร่เนี่ยไม่ใช่อยากก็พ้นได้นะไม่ใช่ไม่อยากก็ก็ได้นะถ้ามันถึงเวลาเนี่ยช้างดึงก็ไม่อยู่ เพราะมันไม่ใช่เรื่องชาตินี้อยากก็ไม่อยากมันเป็นเรื่องอดีตรเราสะสมมายาวนานถ้าจิตเราทะลุป้องแล้วเนี่ยเราจะไม่มีติดบ่วงเหล่านี้แม้กระทั่งคำว่ า, าศาสนาแต่าศาสนามีประโยชน์มันเป็นเครื่องมือในการจันลงคำสอนของสดาสดาแต่ตอนนี้เราไม่ระวังกันทุกาศาสนามีปัญหาหมดขัดแย้งกันเองบ้างฆ่ากันบ้างคริสเองก็แยกเป็นหลายทิศและทิศนี้กาย พุทธเองก็แยกหลายทิศนิกายอิสลามก็มีหลายทิศนิกายหเห็นไหมล่ะเมื่อพูดถึงาศาสนาเดียวกันแล้วทําไมความเชื่อมต่างกันมันก็เป็นนาน า, นาจิตตังเพราะครูเห็นสิ่งนี้เพราะครูถึงจัดโปรแกรมนาน า, นาจิตตังไม่เกี่ยวกับาศาสนามนุษย์ทุกคนทําได้โดยเฉพาะถ้าเป็นพุทธพทระพุทธเจ้าบอกแล้วเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์มาให้รังแกเลยเราจะเป็นลังแกคนาศาสนาอื่นได้อย่างไร แต่ตอนนี้ความขัดแย้งทางการเมืองอะไรแย่งชิงอำนาจกั น, ก, น, ก, นก็ทำกันวุ่นวายไปหมดเลยแต่พ่อครูต้องเป็นหนึ่งคนที่ไม่ร่วมสัรคกรรมเรื่องอะไรเราจะไปสร้างกรรมใหม่เรามีเมตตาทุกคนนะเอาเป็นว่าจิตไม่มีเพศด้วยมันจะมีาศาสนาได้ยังไงแต่ชาตินี้เกิดมาอยู่ในเพศชายเราก็สมมติเาเป็นผู้ชายชาตินี้เกิดมาอยู่ในร่าง เ, าเพศหญิงรลบอกเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายก็สมมติ ฝรังก็เรียกชื่ออีกแบบหนึ่งคนจีเรียกมือเห็นหมมันก็เป็นสมมุติมันไม่ได้ผิดแต่อย่าไปติดสมมุติศาสนาก็สมมุติไม่ใช่ความจริงแล้วก็ในทางพุทธเองเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทำนายไว้ว่าศาสนาพระองค์อยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีตอนนี้ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วแสดงว่าโลกยังไม่ดับศูนหรอกมันต้องต่อไปอีกแต่มันสังคมโลกทุนนิยมเสรีมมันต้องระเบิด มันหมดเวลาแล้วมันแก้ปัญหามนุษย์เสี่ยมมชาติไม่ได้แต่ไม่ใช่มนุษย์นี่ศูนย์พันเห็นไหมพระองค์เองว่าศาสนาพระองค์มันก็ไม่จีหลังยั่งยืนมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในศาสนาของฉันดีของเธอไม่ดีทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเราจะมีศาสนาไว้ทะเลาะกันทําไมนะโดยเฉพาะในช่วงหลังบ้านเมืองเราเนี่ยนี่พ่อครูอัลลัเปลี่ยนนะพ่อครูไม่เกี่ยวนะพ่อครูได้ยินตามข่าว อยู่ๆก็ไปหาเรื่องว่าทางศาสนาอิสลามเขาเขาจะมาทําลายพุทธพราะครูว่าตั้งแต่เกิดมาพ่กคูไม่เคยเห็นพ่อคูมีเพื่อนอิสลามก็เยอะเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งคนเขาบอกเขาจะทําลายศาสนาพุทธแต่พ่อครูเห็นอะไรรู้ไหมเห็นคนพุทธมันกาลังทําลายกันเองไม่มีเมตตาเอาก็มันผิดไงก็ถูกแล้วไงถ้าถ้าเขาไม่ผิดนี่เราจะให้อภัยใครเหรอฮะแล้วอ้างพระพุทธเจ้า มันแก้โดยอย่างอื่นไม่ได้นอกจากอาโหสิกรรมอย่าไปลื้อฟื้นของเก่านะอิสราเอลฆ่าปาเลสไตน์ฆ่ากันไปข้ามาถ้าไม่หยุดไม่ให้อภัยกันนะเดี๋ยวลูกหลานเราก็ตายกันต่อไปแก้ง่ายๆแก้โดยอภัยทานจบอย่าไปลื้อฟื้นของเก่าแล้วก็เอาบทเรียนในอดีตนะมาเป็นบทเรียนแล้วต่อไปป้องกันอย่าให้มีเรื่องอีกแต่ตอนนี้เนี่ยพ่อครูใช้คําว่าโลกใบนี้ยากแล้วพราะครูจึงออกมาไง นะแขมิดนึงนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าทําไมบัญชากัรบางสองมาเจอกันพราะครูถอยมาจากอเมริกาไปอยู่ในป่านั้น11ปีไม่มีไฟฟ้าจากเมืองที่สีวิเลยที่สุดในโลกเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นนะสงบเย็น11ปีไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนเข้าไปพราะครูนั่งเรือข้ามไปไม่มีหมู่บ้านไม่ใช่จากเมืองนอกไปอยู่บ้านนอกไปอยู่ป่าแล้วพอความเจริญเข้าไปเจริญยังไงฮนะมีถนนลูกหลังเข้าไปเนะี่ยเจริญมากแล้วตรง น, นั้นนะ กิเลสก็เข้ามาด้วยยี่สปีไม่ไปไหนพอวันครบ20ปีจิตมันบอกว่าออกไปข้างนอกนะพวกคูว่าออกไปทําไมเราพูดเองว่าสัตว์โลกไ ป, ไปตามกรรมช่วยไม่ได้เขาบอกทำเพราะทำธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการให้ทานเป็นหน้าที่ลราโอเคไม่ถามต่อจบออกมาก็ให้ทานมาบรรยายอยู่ออกมาครั้งแรกบินไปที่เชียงเชียงใหม่ มีรีสอร์ทแห่งหนึ่งเชิญพ่อครูไปอบรมคนที่ไปรับพ่อครูที่สนามบินคือคุณหมอบัญชา20ปีพ่อครูออกมาในโลกภายนอกเจอคนแรกคือคุณหมอบัญชาเหมือนมามอบตัวเหมือนเขาเรียกว่าต้องเป็นคนขับเคลื่อนตรงนี้ด้วยทีนี้เราก็ประสานกันมาตลอดเวลานะแล้วก็พอ5ปีแล้วเกิดกีฬาสีที่กรุงเทพค่ายนี้เชิญมาค่ายนั้นบอกพวกมัน ใครนั้นเชิญไปบอกพวกมันอีกเพราะคูเป็นพวกใครได้หรือเพราะคูเข้าข้างใครได้หรือถ้าจิตมันมันถึงขนาดนี้แล้วมันเข้าข้างใครได้หรือมันก็ไม่เป็นกลางสิก็เลยหยุดหยุดไปนานพอสมควรแต่ตอนนี้เห็นโลกมันวุ่นวายแล้วก็ออกมาอีกแต่ออกมาหลีกเลี่ยงพูดเรื่องศาสนาเรามากายฟิตจิตเฟริร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขกันดีกว่าไม่ใช่เรื่องเรานิ่งเฉยตำลึงทอง เราพูดไปก็แก้อะไรไม่ได้มีแต่จะไปสร้างความขัดแย้งเฉยๆนะทุกอย่างต้องแก้ด้วยอโหสิกรรมเปลี่ยนกรรมให้กลายเป็นอโหสิกรรมอย่าแบกข้ามภพข้ามชาติอีกคำถามจะเหลือ3ามคำถามแต่ก็อกขอรวบนะคะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ใกล้เคียงกันนะคะคือคำถามที่คัดมาน่าสนใจแล้วก็ยังมีคำถามอีกเยอะคะ่ะพ่อครูนะคะที่คุณครูเขียนมาก็กรวบลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะคะเอน้ อ, นองก็ถามว่านะคะ ตั้งแต่หนูปฏิบัติ S a d มาเนี่ยหนูเข้าไปอยู่จิตในจิตนะคะคูก็รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นใครที่เขียนนะคะหนูเข้าไปในอยู่ในโปรแกรมจิตรักษากายคือยืดเส้นจัดดัดตัวกดจุดให้ตนเองส่วนมากหนูจะเข้าไปอยู่โปรแกรมนี้ตลอดมาเลยเท่าที่เห็นเข้าทีไรก็จะไปอยู่ประมาณนี้นะคะหนูอยากจะทราบว่าหนูติดหรือหลงอยู่ในโปรแกรมนี้ใช่ไหมคะและถ้าเกิดจะทาให้มันละทิ้ง นะคะไม่ให้มันหลงหรือละทิ้นตัวตนนะคะก็มีคําถามหนึ่งที่ก้ยขอรวบเลยว่าคนนี้ก็ผบกว่าเขาต้องการเขาเขาไปติดหรือเปล่าไอ้ไทยกดเส้นยืดตัวเขาหลงอยู่โปรแกรมนี้ใช่ไหมคะและคนนึงก็ถามว่าถ้าเกิดคําว่าหลงตนหลงลงตัวตนที่เราสัมผัสได้จะทํำยังไงให้ละทิ้งกันการหลงตัวตนนั้นได้อย่างไรครับง่ายมากครับก็อย่าหลงฮะสั้นมาก ก็รู้ว่าเราหลงก็อย่าหลงเนาะคืออาการที่เราแสดงตัวนั้นอะบางครั้งเนี่ยเรากินข้าวทุกวันเราหลงกินข้าวไหมเราหายใจทุกวันเราหลงหายใจไหมบางทีมันเป็นหน้าที่เวลานั้นจิตเขารู้ว่าร่างกายเราเนี่ยยังไม่สมดุลบางทีเขาเอาศาสตร์วิชาที่เราเรียนรู้มาเนี่ยก็มาปรับสมดุลเราในขณะที่ปรับสมดุลนะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะเหมือนเราฝึกโยคะอะไรเนี่ยเอาล่ะเราดัดตนแล้วรักษาร่างกายส่วนหนึ่งมันก็เจริญสติไปด้วยเป็นการสะสมแต้ม แต่ถ้าไปติดตรงนั้นจริงๆกี่ปีกี่ปีก็ทําอยู่ตรงนั้นเหมือนลัตทิลือศีเนี่ยในก่อนพุทธกาลเนี่ยไม่บรรลุธรรมก็คือติดติอติดสุขอะเอาแต่ไปติดร่างกายไปหลงไปดัดมันไปให้มันมี ม, มีมีความสุขกับอยู่ในฌานตรงนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือหลงแต่ถ้าในช่วงที่เรามีรู้ตัว ต, วตลอดเวลามาเออเขาเขาเอาท่านี้ปุ๊บเขาปวดเอ็นนี้ ต่อไปเราจะมีปัญญาเรารู้ว่าเอ็นใหญ่900รเอ็นน้อย 9,000 พัทำให้เราเข็นใจมันเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะแล้วมันใช้อุบายเอาเอาฐานกายตรงนั้นนะ่ะเป็นเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราจเจริญสติมันดีกว่าที่เราไปนั่งตามลมหายใจหรืออารีบดทั้งนอกนี่นะอันนั้นไปได้แค่สติอัน น, นี้มันได้ปรับสมดุลร่างกายด้วยมันจะเกิดปัญญารู้ว่าเขาทาท่านี้เนี่ยเนื่องด้วยอะไร รู้เดี๋ยวไม่ต้องนึกคิดครับเดี๋ยวมันรู้เองมียายคนหนึ่งเจ็บหัวเข่านี่ลูกชายก็เป็นหมอคุณหมอไม่กล้าผ่าตัดคนอื่นพาเอาผาเอาอ้างว่าเป็นจัญญาแพทย์แต่พอเจอแม่มือสั่นเลยนะก็พามาหาพ่อคููแกนทรมานมากนั่งท่าไหนก็ไม่ได้เกิน15ห้านาทีนะเราก็เลยพาเวียงเลยพอหมุนปุ๊บเนื่องจากเขาเห็นทุกมานานแล้วจิตเขาไม่ลังเลเข้าไปเลยเขาเวียงมือนะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับขาสุดท้ายขาหายไงจิตเขารู้ว่ามันเชื่อมโยงกันเป็นเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์บางทีเราก็ไปผ่าตัดตรงนั้นบางทีมันไม่ใช่หายนะมันไปผ่าตัดระบบประสาทตรงนั้นถูกทำลายทิ้งไม่รับรู้ความเจ็บปวดเฉยๆนะแล้วก็บอกเราหายเจ็บแต่มันไม่ได้หายนะครูก้ยก็มีประสบการณ์เราเริ่มอายุมากแล้วหัวเข่าเราเริ่มมีปัญหา เหมือนสบ้าตรงนี้เนี่ยการการหลังสารไปหล่อเลี้ยงน่ยการอะไรมันก็ไม่เหมือนเก่าเห็นไหมล่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรามาเช็คแอร์ดันมาเหวี่ยงปุ๊บเนี่ยเลือดลมมันจะวิ่งเพราะครูก็คนนึงแหละมันหายหมดแต่ถ้าเราไม่ศรัทธาตั้งมั่นอุ๊ยเจ็บแล้วก็กลัวไงเดี๋ยวก็มันจะกระทบนั่นกระทบนี่เพราะครูว่าเรานั่งเฉยๆไม่ได้ไปตีหัวใครไม่ได้สร้างกรรมอะไรเนี่ยอยู่ๆมันจะทำร้ายเราทําไมเราต้องเชื่อมั่นในจิตเรา ถ้าเราไม่เชื่อมันในจิตเราเนี่ยเหมือนเราหนีกรรมนั่นแหละเหมือนเราไม่ยอมจ่ายนี้นั่นแหละมันก็ค้างอยู่ตรงนั้นการรักษาเนี่ยโดยการผ่าตัดหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะบางอย่างต้องทําเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราต้องผ่าตัดแต่บางโรคนี่บางทีเราไม่รู้ต้นเหตุสาเหตุจริงๆว่ามันเรื่องกายภาพหรือเปล่ามันเป็นธรรมบรมมันเป็นธรรมบรมนะ ถ้าเราม า, มาเดินลมปลาเนเรเลือดลมมันวิ่งปุ๊บเนี่ยใช่เมื่อเลือดลมมันวิ่งแล้วเนี่ยหนึ่งภูมิคุ้มกันมันเกิดก็ปรับดินน้ำลมไฟบางทีมันหายได้เนี่ยต้องพึ่งตนเองก่อนทุกวันนี้คุณหมอนั่งอยู่ที่นี่มะเร็งเราจัดการกับมะเร็งยังไงฉันจะฆ่าเธอฉันจะเอาคีโมไปฆ่าเธอ มะเร็งต้นเหตุอย่างหนึ่งมันเกิดจากสารเคมีมันตกค้างในตัวเราแล้วเราเอาสารเคมีไปฆ่ามะเร็งเราเอาเลเซอร์ไปยิงมันบางทีมะเร็งยังไม่ตายนะคนเป็นมะเร็งตายก่อนโรคแทรกซ้อนผมล่วงหมดทรมานมากเพราะครูคุยกับคุณหมอหลายคนนะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีวิธีที่มันดีกว่านั้นเหรอมัเาเป็นมะเร็งเขาก็ทุกข์มากมายแล้วเอาขอบวนการไปรักษาแบบให้เขาทุกข์มากขึ้นเพราะครูไม่เห็นด้วย แต่แค่แค่ไม่เห็นด้วยเพราะครูไปบังคับได้ไม่ได้นะคือคือวิทยาศาสตร์การแพทย์วิจัยเขาก็วิจัยช่วงเราเรียนแพทย์5 6, ้าปี7 8ปีเนี่ยรีอว่าวิจัยก็ช่างเวลามันสั้นล้วก็วิจัยไปดูแค่ผลที่มันจะเกิดประโยชน์แต่เราไม่วิจัยเรื่องผลข้างเคียงที่มันมีโทษเพราะครูใช้คำว่าบางทีได้ไม่คุ้มเสียทรมานมาก มีพูนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหลายคนนะมาเวียงไปเวงมาอยู่ได้อีกหลายปีแล้วท่านนี้ตายเพราะอายุ 8-90 แล้วเนี่ยวันที่ตายพาะกูไปโรงพยาบาลเนี่ยเขานอนใข้ไม่เจ็บปวดเพราะจิตมันไม่ไปรับเจ็บนั้นแล้วทำไมต้องทรมานตัวเองขนาดนั้นนั่นแหละวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องหันมาศึกษาเรื่องโรคอุปท า, านด้วยจะได้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติอ่นะคะ มีอีกข้อนึงค่ะคาดว่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะนะคะเป็นคําถามที่น่าสนใ จ, จเขาถามว่าอย่างไรคะจึงจะเรียกว่าการพัฒนาจิตเพราะบางคนเนี่ยไม่เข้าจิตนะคะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปจิตในจิตเลยแต่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้ให้อย่างมากอะไรมันหมายควาว่าการเป็นการพัฒนาจิตก็ขอญาตแชร์ประสบการณ์นะครับพระพุทธองค์ไม่ได้สอนอะไรเยอะ 80,400 พระธรรมขันธ์ก็เป็นแค่แนวทางแต่ว่าถ้าเอาห ล, ลักๆจริงๆมีสข้อข้อที่หนึ่งทานนะครับทานบา ร, รมีนะครับก็คือทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสข้อหนึ่งทำดีอุปกรณ์ในการทำดีคือทานทุกวันนี้เราให้แต่ทานก็มีหลายระดับบางคนเนี่ยให้เพราะอยากจะเอาส่วนใหญ่เลยให้ เพราะอยากจะเอาเอาอะไรฉันไม่ได้อยากจะหวังอะไรจากเขาถามว่าให้แล้วอยากได้ความสุขจากการให้ไหมรู้สึกการให้ไหมนั่นคือแค่เป็นบารมีตั้งต้นๆแต่ถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วพัฒนาต่อไปถ้าจิตเข้าไปในจิตแล้วการให้นั้นจะไม่มีทั้งผู้ให้ไม่มีทั้งผู้รับมีแต่การให้นี่คือการพัฒนานะครับอุปกรณ์ในการละชั่วข้อ2ออุปกรณ์ในการละชั่วคือศีล ศีลเนี่ยพราะพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้องสอง8ยี่บเจ็ดปดข้อห้าข้อนมันมาเป็นการกำหนดในทีหลังแต่คำถามคือที่เราทำทุกวันนี้เพราะอะไรที่เรารักษาศีลพระท่านบอกว่าศีเลนาะสุขติงยันติศีลเป็นไปเพื่อความสุขคือไม่เบียดเบียนเห็นยุงเนี่ยหลายคนนะครับบอกเห็นยุงแล้วอยากตบใช่ไหมยอยากตบยุงนะแต่กลัวผิดศีลกลัวบาปก็ไม่ตบ แหมเว้ยไม่ตกก็ได้วะเดี๋ยวบาปเรากินกุง้งกินหอยกินปูยุงกินกูก็หายกันแต่อย่ามากัดกูนะมึงแหมบางคนรักษาศีลสีเลนะโพค่าสัมปทารักษาศีลแล้วมีโพคทรัพย์สรรเสริญรู้สึกมีความสุขกับการรักษาศีลเพื่อนปูงทักหน้าบานแจ่มใสขอรักษาศีลหน่อยก็เป็นแค่ศีลระดับกลางศีเลนะนี่ผู้ติงยันติศีลเป็นไปพุทิพาน์เมื่อเข้าไปในจิตแล้ว ไปผัดเกาจิตให้ผ่องใสพัฒนาจิตแล้วไม่ต้องรักษาศีลครับเป็นปกติศีลไม่ว่าจะศาสนาไหนข้อห้ามทั้งหลายไม่สําคัญเราไม่ฝืนโดยธรรมชาติอยู่แล้วจะไปเบียดเบียนใครไหมจะอยากได้อะไรไหมจะต้องปิดบังไหมอุ้ยฉันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อัตราตัวตนไม่มีฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แล้วจะทําไมนะครับการดื่มเสพต่างๆไม่ว่าจะสุราเสพติดเกมเสพการพนันเสพนู่นเสพนี่ เอายมุคทั้งหลายทั้งปวงผิดศีลหมดนะครับนะข้อสุดท้ายคือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสคือเข้าไปจิตในจิตไปเคลีย์ข้อมูลแล้วทุกอย่างก็จะเป็นปกติเป็นการพัฒนานะครับนี่คือประสบการณ์แล้วชีวิตเราที่ใช้ชีวิตอยู่ทา ม, มาหาเลี้ยงชีพเนี่ยพอเลี้ยงชีพแล้วส่วนเหลือให้ นะครับเป็นการให้เป็นการให้วิทยาทานธรรมทานให้เวลานะคูก้อยจัดคอร์สเอาแบบง่ายๆเลยนะครับสามวันเนี่ยถ้าหมอบัญชาไม่มาที่นี่หมอบัญชาไปนั่งทำงานตัวเลขมั น, ม, นมันเท่าไหร่ก็ไม่คงไม่ต้องบอกนะครับ7หลักก็ทำได้ถ้าจะทำแต่อันนั้นมันเกินส่วนเกินละขอมาทำที่นี่ดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่หมอให้คุณครู500ท่าน ครูห้าร้อยไม่ใช่โจรห้าร้อยครูห้าร้อยท่านคุณครูเอาไปดูแลสุขภาพตัวเองทั้งกายและจิตคุณครูเคยใช้เงินค่ารักษาตัวเองเดือนละหนึ่งพันบาทห้าร้อยท่านไม่ต้องใช้เงินรักษาตัวเอง 1,000 พันบาทประหยัดไปกี่เท่าไหร่อันนี้มูลค่ามันมหาศาลมันเป็นคุณค่ามูลค่าไปอยู่ในคุณค่านะครับส่วนจะทำได้ไม่ได้นี่ตัวใครตัวมันแล้ว มีแตการให้ไม่มีผู้ให้ไม่มีผู้รับนะครับตัวใครตัวมันกรรมใครกรรมมันแล้วแต่ก็คงได้คําตอบอันนี้นะครับค่ะเสริมเรื่องจิตในจิต น, นิดนึงได้ค่ะอย่าเข้าใจผิดนะว่าเข้าไปในจิตในจิต ท, ทุกคนต้องแสดงอาการคนที่เขาแสดงอาการเนี่ยมันเป็นบุพเพนวิวาส า, านุสติญาณเป็นการระลึกชาติเราจะระลึกชาติก็ได้ไม่ระลึกชาติก็ได้แต่จิตในจิตหมายถึงว่าเราต้องพัฒนา สติปัฏฐานทั้ง4ี่ให้บริบูรณ์เป็นมหาสติปัฏฐานที่มันเกิดแรงเบี่ยงแรงหมุนจิตทำงานแล้วเนี่ยนะมันเราเจริญมหาสติปัฏฐานไปนะคือสะสมแต้มไปเรื่อยๆนั่นก็คือการพัฒนาจิตส่วนทระละืลึกชาติเป็นผลพลอยได้เพื่อให้เราจางคลายความลังเลสงสัยว่าเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือเปล่าบาปบุญคุณโทษมีจริงถ้าทุกคนไม่ลังเลสงสัยท่า น, นั้นไม่ต้องะระลึกชาติ เราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทานศีลภาวนาภาวนาก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งสวดมนต์ท่องบนไม่ใช่ไปว่าท่องบท น, นะเจริญภาวนาคือการจเจริญวิปัสนาเรามายืนเฉยๆเดินเฉยๆนั่งเฉยๆนี่เห็นไหมไม่ต้องเข้าไปในจิตอันนี้ก็คือการพัฒนาจิตเหมือนกันนะเอาให้เข้าใจนะว่าเข้าไปในจิตในจิตไม่ใช่ทุกคนต้องไปแสดงอาการต่างๆแต่การแสดงอาการนั้นมันมีประโยชน์ในแง่ว่าเราอาจจะใช้นี่กรรมได้ นะรักษาร่างกายได้นะแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่เป็นอะไรเนี่ยบางทีจิตเดิมมันไม่ต้องพาเราเข้าไปข้างในแต่มันมันทำให้เรามีมีพลังมหาสติปฐานสะสมแต้งไปเรื่อยๆนี่คือการพัฒนาจิตโอเคนะครับโอเคค่ะสรุปว่าคำถามยังมีอีกนะคะเดี๋ยวเรากันตอบกันวันหลังจะมีเวลาของวันพรุ่งนี้แต่ครูเก๋ยขอเน้นย้นะคะว่าการจัดกิจกรรมมวันนี้น พ่อครูบัญชาเมตตาคุณครูก้อยและเมตตาคุณครูทุกท่านมาอยู่ณโรงเรียนกนัคสวันแล้วเราได้รับฟาร์มรักฟาร์มห่วงใหญ่จากคุณหมอบัญชาด้วยมาให้เรื่องฟาร์มรู้ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมคุณครูคิดเองนะคะว่า3มวันนี้1ใครจะบ้างใครจะรู้บ้างจะมีองค์กรไหนหรือผู้นําที่ไหนในองค์กรเกี่ยวกับสื่อสารนั้นๆจะมอบในเรื่องของ คุณเข้าไปชดใช้วิบากกรรมได้ยังไงเครื่องมือที่คุณจะเข้าไปชดใช้วิบากกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ในอนาคตหรือปัจจุบันชาตินี้เรารู้จักเครื่องมือนี้ไหมและถ้าเกิดสุขภาพเราไม่ดีเราต้องไปพึ่งสวดิการการใช้การรักษาของรัฐบาลเช่นน้องๆที่ไปสอบโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนโคกอีแง้งโรงเรียนวัดท่ามกา เขาจะมีพอ อ, อหรือผู้นำของเขาที่จะให้หรือมีพอ่อครูบัญชาหรือคุณหมอบัญชาไปนั่งให้ความรู้ให้คุณมีสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องใช้ยามะและนอกจากเรื่องสุขภาพเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องอารมณ์แล้ว ในคอสาวันนี้พ่อครูยังเมตตาเป็นพ่อคือพ่อครูนี่ตรงตัวและเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูพ่อครูก็ยังเตรียมวิธีการดูแลเศรษฐกิจดูแลชีวิตของตัวเองให้ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชันที่เก้าอยู่ยังไงให้เพียงให้พอเพียงอยู่ยังไงให้มีความสุขอีกด้วยเพราะฉะนั้นครูใกล้ว่า3วันนี้ที่ครูใกล้นั่งอยู่ตรงนี้เนะี่ย ครูก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพ่ะครูและกราบขอบ ค, คุณหมอบัญชาและคุณแม่คุณหมอและทุกๆ ท, ท, ท่านน้องแก้วและทีมงานจิตอาสา ท, ทุกๆท่านที่อุตส่าห์สละกันให้การเอื้อเฟื้อที่มากมายมหาศาลมันนับเป็นเงินร้อยล้านพันล้านหรือแสนแสนล้านมันนับไม่ได้เลยเพราะวันที่ครูก้กําลังจะตายหรือทุกท่านกําลังจะตายมันใช้เงินเหล่านั้นติดตัวไปไม่ได้แต่เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือและวิธีการทั้งดําเนินชีวิตปัจจุบัน ทั้งเข้าไปดูแลจิตของตัวเองแล้วชดใช้วิบากกรรมในอดีตทำให้ปัจจุบันเรามีความสุขนี่คือคอนเซปต์ของการคืนความสุขสู่คน KPT ต่อไปนี้วินาทีต่อไปคุณจะรับหรือเปล่าคำถามคำแรกที่ขึ้นเวทีนี้เข้าไปในจิตทำให้ง่ายๆเข้าให้ง่ายๆทำอย่างไรพร่อครูกับคุณหมอก็ตอบแล้ว ดิ้นร้องกรี๊ดเก่งมันเกิดประโยชน์ยังไงก็รู้แล้วว่ามีประโยชน์เหลือแต่คุณแหละค่ะจะเปิดประตูเข้าไปไหมตรงนี้เมื่อกี้ปรึกษากับน้องแก้วเราจัด i ินไซ e ์เอาเลยค่ะคุณพครูวินาทีต่ตอไปเดี๋ยวไปเบรกเข้าห้องน้ำกันก่อนจิตในจิตเลยค่ะ ดูซิว่าเราบรรยายกันทั้งสามคนอุศาสต้อนคำถามไปเยอะแยะนะคะสอนทฤษฎีไปแล้วป ฏ, บปฏิบัติจะได้ไหมจะเปิดประตูเข้าไปในจิตตัวเองไหมหรือยังไม่ยอมเปิดอีกนะคะเดี๋ยวเราประเมินหนึ่งนะคะพ่อโคนะคะเชิญค่ะเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็รีบมานะคะเราจะเปิดเพลงเลยดีไหมคะน้องแก้วน้องนเนะอาใจเห็นเห็นอ่ะรอให้ห้านาที